บทที่สี่ชีวิตการดํารงอยู่สู่ความตายอะไรคือสิ่งที่พึงทําที่สุดในชีวิตนี้ชีวิตล้ำลึกด้วยความหมายพึงใช้เวลาให้คุ้มค่าชีวิตนี้สั้นเกินกว่าจะปล่อยให้เวลาหมดไปกับความเหลวไหลอย่ากอกวนตัวเองด้วยการนั่งนึกถึงเรื่องราวทั้งชีวิตอย่าจมปลักอยู่กับกองปัญหาที่คาดว่าจะถมทับใส่ทุกครั้งขอเพียงถามตัวเองว่า อะไรบ้างในเรื่องนั้นที่สุดจะทานทนและเลอขีดที่จะทนได้และควรจะนึกละอายที่ต้องสารภาพออกมามาคัสออลเลเลีสถึงชีวิตจะเต็มไปด้วยเรื่องยุ่งยากแต่ใช่ว่าเราควรจะเกลียดชังมันชีวิตมนุษย์มีไว้เพื่อเรียนรู้และเติบโตมีบทเรียนมากมายไว้ให้ศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาหากคุณไม่ตั้งใจเรียนรู้ให้ลุ่มลึกลงไปคุณก็ต้องเรียนว่ากลับมาเรียนรู้มันใหม่อีก แต่ถ้าคุณตั้งทัศนคติและมุมมองให้ถูกต้องทุกๆกความยุ่งยากที่คุณเผชิญล้วนมีคุณค่าและความหมายต่อคุณทั้งสิน้นพึงช่วยเหลือผู้อื่นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าแล้วผู้อื่นก็จะช่วยคุณเช่นกันพวกเราคงเคยทำกรรมร่วมกันมาจึงได้มาช่วยกันและกันอีกฉะนั้นโปรดอย่าคิดว่าเรื่องยุ่งยากเหล่านี้มันไร้ค่าแม้จะต้องผนชนิกับความรุดร้า ผิดหวังท้อแท้และเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปมากเพียงใดอาตมา ก, ก็ยังคงเห็นว่าชีวิตมันน่าสนใจล้ำค่าด้วยความหมายชีวิตคงจะตื้นเขินและน่าเบื่อมากทีเดียวหากไม่มีเรื่องยากลำบากเอาเสียเลยเราเดินอ้อมไม่ได้หรอกนะหนทางเดียวคือต้องเดินฝ่าเข้าไปไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบในชีวิตนี้ฉะนั้นอย่าไปห้ยหาความสมบูรณ์แบบเลย อาตมาเองก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบไม่มีวันจะเป็นได้และไม่เคยคาดหวังด้วยเจ้าสิ่งที่ข่าฉันให้ตายไม่สําเร็จนั่นแหละที่จะช่วยให้ฉันแกล่งขึ้นนิเซอร์ยามที่ทุกข์ทรมานกับพิษบาดแผลมักเป็นห่วงเวลาที่คุณเกิดความคิดหรือเห็นทางออกใหม่ๆจากพิษบาดแผลนั่นเองสุขได้มากเพียงใดก็ทุกทนมากเพียงนั้นเช่นกันนับเป็นโชคดีอย่างยิ่ง หากผู้ใดสามารถประจักษ์แจ้งได้ว่าตนเองก็มีด้านลบไม่ต่างจากผู้อื่นและอสูรในมุมมืดนั้นมันก็เป็นได้ทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรมจะเสือกสายไล่ส่งมันออกไปก็ไม่ได้จะอยู่โดยไม่มีมันก็ไม่ได้และที่เป็นอนิสง์พอกันก็คือการที่ผู้นั้นได้เห็นว่าความสำเร็จส่วนใหญ่ของตนผูกติดอยู่กับความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เกิดจากแรงกระตุ้นของอสูรตัวนั้นนั่นเอง นี่คือประสบการณ์ที่สอนให้เรียนรู้ว่าชีวิตเราผสมผสานขึ้นมาจากทั้งฝ่ายธรรมะและฝ่ายอาธรรมไม่มีใครดีเต็มร้อยไปได้หรอกใครไม่มีศักยภาพสมบัติฝ่ายอาธรรมก็ไม่มีศักยภาพสมบัติฝ่ายธรรมะเช่นกันในการดำเนินชีวิตเราจะงต้องรือกทำความดีให้สำเร็จโดยไม่ต้องแยกตัวออกไปจากความชั่วแต่ต้องทำให้ได้แม้จะอยู่ร่วมกับมันรอนโลมเมชีวิตที่ไร้ความทุกข์ยาก คงจะตื้นและน่าเบื่อมากทีเดียวทนทุกข์เรียนรู้และเติบโตอตมาผ่านทุกข์มาไม่น้อยเลยขณะนี้ก็ยังมีทุกข์แต่อตมาอยู่กับความทุกข์ได้อย่างสงบและสง่างามอตมาถือว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นส่วนที่สําคัญมากด้วยจะเข้าใจชีวิตได้อย่างไรหากไม่เคยรู้จักความทุกข์แม้ในยามทุกข์อตมาก็ยังคงสงบเย็นได้จนยากที่ใครจะเชื่อว่า อาตมากำลังเผชิญกับทุกข์ที่ใหญ่หลวงอยู่อาตมาไม่เห็นด้วยหากจะพูดว่าคนเราไม่ควรมีทุกข์และไม่คิดว่าการมีทุกข์เป็นความผิดปกติเมื่อเคยคิดว่าเราควรจะพยายามกำจัดหรือเอาชนะมันแต่อาตมาพยายามที่จะทําให้ความทุกข์เหล่านั้นมีคุณค่าขึ้นมาจึงได้พยายามเข้าใจทุกข์นั้นอย่างลึกซึ้งโดยไม่รังเกียจเดียดฉันหรือต่อต้านมันไม่หดหู่หรือกระวนกระวาย หวังแค่เพียงว่าจะมีปัญญามากพอที่จะเข้าใจความทุกข์และชีวิตได้ทุกครั้งที่อาตมาทุ่มพ้นด้วยความทุกข์ก็เท่ากับอาตมากําลังก้าวเข้าไปใกล้การละลดปลดวางความยึดติดอีกก้าวหนึ่งความทุกข์สอนให้อาตมาปล่อยวางสมุทยัยสัจจะอริยสัจสี่ประการที่สองอันได้แก่ปัญหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ช่างเข้าใจง่าย และเป็นสัสนาธรรมจริงๆผู้เราต่างก็มีชีวิตที่ยากลำบากจึงน่าจะเรียนรู้ได้มากกว่าผู้ที่มีชีวิตสบายๆอัตมาเองก็ผ่านชีวิตมาหนักหนาสาหัสแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงชอบมันอัตมาเรียนรู้จากชีวิตมากมายทั้งการรับรู้ความรู้สึกการประจักษ์แจ้งจนเข้าใจอย่างลุ่มลึกหากคุณมีสติความทุกข์จะช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ ลุ่มลึกอาตมาคงไม่ต้องการมีชีวิตแบบร้ายกังวลและไม่คิดจะใช้ชีวิตแบบตื้นต้นตรงกันข้ามอาตมาอยากจะรู้ทุกๆอย่างเกี่ยวกับความทุกข์และชีวิตคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตอย่างผิวเผินเกิดมาในสังคมแล้วก็มีชีวิตอยู่กับค่านิยมที่สังคมนั้นตั้งขึ้นมาเหมือนติดอยู่ในกับดักคุณจะต้องเข้าใจให้จำชัดเสียก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิต จึงจะสามารถกำหนดค่านิยมของตนเองและดำรงชีวิตอยู่กับมันได้แม้ว่าคุณจะกำหนดค่านิยมของคุณได้แล้วก็ยังต้องหมั่นพิจารณาหนึ่งๆว่ามันยังเป็นอยู่หรือไม่และมีผลอย่างไรต่อจิตใจของคุณบ้างการดำรงชีวิตอยู่นับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จเราต้องดื่นตัวและสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลาขาดความสร้างสารรค์เมื่อใดก็เหมือนตายแล้วทั้งเป็น แต่คนที่ดำรงชีวิตอย่างสร้างสารรค์ได้กลับหายากจึงไม่แปลกใจเลยที่คนส่วนใหญ่มีชีวิตเหมือนหุ่นยนต์ไร้ชีวิตชีวิตคนเราทุกคนมีขึ้นมีลงเสมอจึงควรจะมองมันอย่างตรงไปตรงมาอาตมามองชีวิตทีละขณะไม่คิดมากเกินไปจนสับสนยอมรับชีวิตในแบบที่มันเป็นและพร้อมเสมอที่จะตายได้ทุกเมื่อคนมักจะกล่าวกันว่าชีวิต มีแต่วความยากลำบากแม้แต่คนที่ไม่ต้องทำมาหมากินอะไรเลยชีวิตก็ยังลําบากแต่ถึงกระนั้นเราก็สดชื่นรื่นเริงและเรียนรู้จากชีวิตได้อีกตั้งมากมายและหากประสงค์คุณก็สามารถพาตัวเองลุกออกไปจากสังสารวัตอันเวียนวนนี้ได้พู้เรากับเป็นม้าหมุนในละครสัตว์ใช่ว่าอาตมาจะชอบความทุกข์เสมอไปหรอกนะคุณล่ะชอบไหมณนะที่ที่อาตมาอยู่นี้ ชีวิตช่างเรียบง่ายแต่อัตมาก็ยังคงอยากให้มันเรียบง่ายกว่านี้อีกสงบเข้าไว้รอคอยอย่างอดทนทำอะไรที่ทำได้ไปพลางๆไม่มีอะไรยืนยาวอย่างไม่รู้จบได้หรอกทุกอย่างล้วนต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยซ้ำหากคุณรอคอยอย่างสงบและผ่อนคลายแต่คุณกระหุนกระวายวิ่งวุ่นราวกับคนบ้าคุณก็กาลังก่อกวนให้สถานการณ์ เลวร้ายลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับอาตมาในอดีตล้วนส่งผลให้อาตมาได้มายืนอยู่ตรงนี้และเพราะชีวิตของอาตมาสงบสุขและเติมด้วยความหมายในปัจจุบันจึงรู้สึกดีๆกับอดีตได้อาตมาให้อภัยตัวเองและทุกๆคนนึกขอบคุณทุกคนที่ได้เคยทําอะไรๆให้อาตมาหรือทําไว้กับอาตมาถ้าทุกๆคนเคยดีกับอาตมากันหมดวันนี้ อาตมาก็อาจไม่ได้บวชเป็นพระอาตมาเข้าใจทุกคนดีขึ้นมากและซาบซึ้งในคุณค่าของพวกเขาคนเรามักจะจมอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตราวกับเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆหากเราสามารถยอมรับในสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จิตใจก็จะสงบขึ้นอาตมารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณชีวิตเพราะเรียนรู้จากมามากมายเหลือเกินอยากจะมีอายุยืนยืนเพื่อจะได้เรียนรู้ให้มากขึ้นกว่านี้ ยังมีบางเรื่องที่คนเราจะเรียนรู้ได้ก็แต่เมื่อแก่ทลาลงเท่านั้นชีวิตช่างสำคัญนักวิธีการดำรงชีวิตและข้องแวะเกี่ยวพันกับผู้คนล้วนสะท้อนการปฏิบัติธรรมของเราสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่และผู้คนที่เราอยู่ด้วยล้วนมีความสำคัญคนบางคนและสถานที่บางแห่งฉุดให้เราอารมณ์เสียและเมื่อต้องจมปลักอยู่กับอารมณ์บูดเน่าเช่นนั้นนานๆเข้า จิตก็ชำรุดสุดโสมผู้คนรอบข้างจึงมีอิทธิพลที่ซับซ้อนอย่างยิ่งต่อตัวเราชีวิตใช่จะเลวร้วายไปเสียหมดบางครั้งมันก็สงบเงียบและเปี่ยมสุขถึงกระนั้นอาตมาก็ไม่ต้องการจะเกิดอีกแล้วนี่คือสาเหตุที่อาตมาพยายามเข้าใจตนเองชีวิตและบุคคลอื่นให้ลุ่มลึกปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้คือเป้าหมายหลักในชีวิตของอาตมา ทุกวันนี้อาตมาปรารถนาในอะไรต่อมิอะไรน้อยลงใจจึงเบาสบายกว่ า, าก่อนแต่ก็อยากได้หนังสืออีกหลายเล่มอาตมาไม่ทะเยอทะยานที่จะทําอะไรใหญ่โตแค่อยากจะดารงชีวิตอยู่อย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดและเข้าใจชีวิตให้มากที่สุดอาตมาทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แต่ไม่จริงจังกับอะไรจนเกินเหตุทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่เคยมีอะไรสักอย่างที่ได้อย่างใจ เ, าเราฉะนั้นจะไปกังวลอะไรให้มากมายนักอย่าไปดิ้นรนยืนกรานให้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจ เ, าเราโดยเฉพาะกับผู้คนเขาก็มีจิตใจของเขาความชอบของเขามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของอาตมาคนจำนวนมากทุกทนเพราะจริงจังกับทุกอย่างมากเกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ามันไม่คุ้มค่าเลย สักนิดเดียวอยากจะยืนยันว่าอาตมารู้สึกพอใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอาตมาเพราะปล่อยวางได้หมดแล้วเมื่อแก่ตัวลงความตายก็ใกล้เข้ามาเพื่อนๆหลายคนจากไปแล้วสองคนจากไปด้วยโรคตับคนหนึ่งตายจากด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดอีกคนหนึ่งหัวใจวายและอีกรายตายด้วยอุบัติเหตุส่วนบัรดาของอาตมาเองก็เสียชีวิตไป โดยที่อาตมาไม่ทราบสาเหตุวันหนึ่งข้างหน้านี้อาตมาเองก็ต้องตายไม่รู้ทั้งนั้นเองว่าเมื่อไรที่ไหนและอย่างไรทุกอย่างล้วนต้องดับไปแล้วจะยึดติดกันไปใหญ่ให้ป่วยกันทุกๆกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาตมาล้วนสอนให้เข้าใจบางอย่างอาตมาจึงเปิดใจกว้างกับทุกอย่างที่จะผ่านพบทุกสถานการณ์ทุกประสบการณ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือโอกาสทองของการเรียนรู้การยอมรับความไม่แน่นอนและดำรงชีวิตอยู่กับมันได้เป็นสัญญาณบ่งบอกวุฒิภาวะที่แก่กล้าขึ้นแล้วบ่อยครั้งที่เรามักต้องการความมั่นใจสำหรับอนาคตแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตอนที่เรายังไม่ได้เรียนรู้จากชีวิตและยังไม่รู้ว่าควรดารงชีวิตอ ย, อย่างไรนั้นเรามักจะบ่นว่าชีวิตนี้ไม่เห็นจะดีเลย เราเคยอยากรู้วิธีเอาชนะชีวิตด้วยซ้ำการใช้แต่เหตุผลโดยไม่ใช้หัวใจมันทําให้ชีวิตแห้งแล้งมากอาตมาได้แต่หวังจริงๆว่าคุณจะรู้ว่าอยากทําอะไรกับชีวิตอะไรก็ได้ที่คุณจะเป็นสุขกับชีวิตได้จริงๆจนถึงวันตายจริงอยู่โลกเพียนขึ้นทุกวันมีอะไรที่เราจะทําได้รึไม่มีสักอย่างจะเปลืองแรงเปลืองเวลาไปเสียอารมณ์กับมันทําไมคุณก็รู้ว่าโลกียสุข จะก่อความเจ็บปวดให้คุณมากกว่าความสุขอัตมารู้มาตลอดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มีหนทางจะเตือนคุณได้หากคุณต้องการความสุขคุณก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดควบไปด้วยแต่ถ้าไม่ต้องการความเจ็บปวดก็อย่าไปถามหาความสุขกิเลสมันทําให้ชีวิตซับซ้อนยุ่งยากเช่นนี้เองหากปราศจากความโลภความทะยานอยากและความยึดติดชีวิตของเราจะเรียบง่ายอัตมาไม่ได้มาชวนให้คุณบวชเป็นพระหรอกนะ มันยากเกินไปสำหรับคุณแต่อย่างน้อยคุณก็เป็นคารวาสที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายได้นี่นะหากจะเปรียบไปคุณก็คงเหมือนเจ้าลาในสุภาษิต ท, ที่ถูกขนาบอยู่ตรงกลางระหว่างฟางสองฟ่อนใหญ่สุภาษิตนี้กล่าวถึงเจ้าลาที่ถูกขนาบข้างด้วยกองฟางใหญ่สองฟ่อนพยายามจะตัดสินใจว่าจะกินฟางฟ่อนไหนก่อนดีข้างขวาหรือข้างซ้ายด้วยความลังเลไม่รู้จบในที่สุดมันก็เลยหิวตาย การมีโอกาสตัดสินใจไม่ได้แปลว่าจะทำได้อย่างอิสระบางครั้งการที่ต้องตัดสินใจก็เป็นการถูกมัดและทรมานอย่างยิ่งสิ่งแรกที่พึงทำคือเข้าใจชีวิตของคุณให้ลึกซึง้งตอบให้ได้ว่าต้องการจะดำรงชีวิตอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของคุณคนเราไม่เคยพอใจอะไรสักอย่างหรอกแต่มักจะคิดว่าฉันจะมีความสุขได้ถ้า การแสวงหาความพึงพอใจก็คือการแสวงหาความเจ็บปวดเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งเมื่อใดก็จะปล่อยวางได้เมื่อนั้นคําอธิบายเชิงจิตวิทยาอาจจะถูกต้องอยู่บ้างอาตมาก็ชอบอ่านหนังสือจิตวิทยาแต่ถ้าคำอธิบายนั้นไม่ช่วยให้เรามองเห็นความยึด ต, ติดที่เรามีอยู่และช่วยให้เราละลดปลดวางความยึด ต, ติดนั้นลงได้มันก็ไม่ช่วยให้เราสงบลงไปได้เลยเมื่อจิตยังไม่สงบ เราก็ยังคงสับสนและเป็นทุกข์ต่อไปปัญญาจากตำรับตำราทางโลกมันยังไม่เพียงพอหรอกยิ่งอธิบายปัญหาก็ยิ่งท่วมทับเป็นคำอธิบายที่หาข้อยุติไม่ได้หลายครั้งที่คุณพูดว่ากระผมไม่ทราบจริงๆอตมาคิดว่ามันมาจากความรู้สึกที่แท้จริงเราเคยรู้อะไรจริงๆบ้างไหมอตมาเองก็ไม่รู้อะไรจริงๆเหมือนกันแต่อตมาก้าวไปช้าๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เรียบร้อนและไม่คาดหวังมากมายทั้งจากตัวเองและจากผู้อื่นบางครั้งอาตมาก็ทำผิดพลาดแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นเสมอตอนที่คุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีและสับสนตอนนั้นแหละที่คุณจะเริ่มลุกขึ้นมาคร่ยครวนได้อย่างจรงิงจังมันเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นใหม่ถึงแม้ว่าความไม่มั่นใจอาจจะทาให้ทุกข์แต่มันก็ปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาคิดว่าจะทาอะไรดี ลองมองลึกลงไปในใจตนเองโดยไม่ต้องคิดมากจนเกินไปเปิดใจอยอมรับความไม่แน่นอนตอนนี้ใ น, ในใจของคุณคือไม่รู้มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่คุณจะพัฒนาเพราะมันปลุกให้คุณตื่นจากความซึ้งซึมหวังว่าคุณคงจะไม่เป็นทุกข์กับความสับสนชีวิตนี่แปลกดีอย่างน้อยก็สําหรับอาตมาชีวิตคือความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไม่มีบทสรุปไม่มีความแน่นอน เรามักจะพยายามค้นหาหนทางใหม่ๆในการดำรงชีวิตและเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยความหวังว่ามันต้องมีที่ไหนสักแห่งและคนไหนสักคนที่เหมาะสมกับเราที่สุดเราหลอกตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาหากชีวิตปราศจากเรื่องที่เราหลอกลวงตัวเองจนเป็นตุเป็นตะพวกนี้มันจะน่าขนลุกขนาดไหนเชียวจวบจนกระทั่งเราพัฒนาขึ้นและหลุดพ้นจากภาพลวงตา น, นั้นออกมาได้เราจึงจะเริ่มเรียนรู้ได้ว่า ไม่มีแห่งผลใดสมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่มีเพื่อนที่สมบูรณ์แบบครูที่สมบูรณ์แบบและแม้แต่พระภิกษุที่สมบูรณ์แบบอาตมาเองก็ไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบและจะไม่มีวันเป็นได้กล่าวกันว่ามีเพียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ทรงสมบูรณ์แบบมีอะไรบ้างที่คุณเคยมั่นใจได้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยการนึกเอาเองและเรื่องที่เราหลอกตัวเอง เรายึดโยงอยู่กับสมมุติฐานที่เราคาดการณเอาเองทั้งสิน้นหากเรายกสมมติฐานทั้งหมดทิ้งไปก็ไม่เหลืออะไรไว้ให้ยึดได้อีกเลยคุณแน่ใจแล้วจริงๆหรือว่าต้องการอะไรในชีวิตถ้าแน่ใจแล้วก็ลองตอบมาพอกันทีสําหรับความเชื่อความคาดการณและความหวังมีแต่ทําให้หนักหัวใจกําจัดมันได้จิตใจจะเบาสบายขึ้นโลภมันทิ้งได้จะได้จดจ่อใสยใจ กับสิ่งที่ควรทําเสียทีหากเราไม่ดํารงชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตก็ไร้ความหมายคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือเพื่อศัตธรรมความรักอุดมการณ์ทางการเมืองหรือประเทศชาติตอบยากใช่ไหมสมมติว่าคุณหาคําตอบได้แล้วตัวอย่างเช่นหากตอบว่าสัตธรรมและทุกๆวันในชีวิตของคุณพิสูจน์คาตอบนี้ได้หรือเปล่าเพื่อนรักเราทุกคนต่างก็หลงทาง ลอยเทงเต้งเหมือนเรือไรห้หางเสือคนเรานี่นะ่าอัศจรรย์ต่างคนต่างก็ดํารงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทางไร้หลักใชยไร้ความหมายไร้ความเมตตาไร้ความเข้าใจซึ่งกันและกันชีวิตนี้มันเละเทะสิ้นดีจริงๆมีคนไม่น้อยเลยที่ล่องลอยไปเรื่อยๆ อ, อย่างไร้จุดหมายไร้ทิศทางไร้จุดประสงค์หลงทางไปเรื่อยๆ อ, อย่างไม่เคยเข้าใจชีวิต และความหมายของมันเลยไม่เข้าใจธรรมชาติของวัตตะสงสารคือการวินว่ายตายเกิดอีกด้วยคนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสเลือกดำรงชีวิตอยู่กับธรรมะและการปฏิบัติธรรมได้แต่กลับปล่อยโอกาสนั้นให้สูญเปล่าไปเฉยๆหาได้ตระหนักแม้แต่น้อยถึงคุณค่าของโอกาสทองที่มีอยู่จนกว่าจะสูญเสียมันไปอาตมาสนใจใคร่รู้ว่าคุณดำเนินชีวิตประจาวันของคุณอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไรวิธีทางที่คุณดำเนรงชีวิตน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณได้บ้างอาตมาได้รับจดหมายจากท่านอูธรรมมินทะเล่าถึงความยากลําบากของชีวิตพระภิกษุในซีกโลกตะวันตกท่านเล่าว่าท่านจเจริญกรรมาฐานไม่ได้เลยเพราะมันมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆตัวท่านอยู่ตลอดเวลามันก็จริงรอกอาตมารู้ซึ่งดีอย่าปล่อยให้ตัวเองมีธุระยุ่งเหยิงมากนัก หาเวลาถ่อนคลายให้มากๆพระพุทธองค์ตราดไว้เกี่ยวกับเรื่องของกิจธุระว่าอปปกิจโจจะสันละหุวติพึงมีธุระให้น้อยใช้ชีวิตเรียบง่ายธุระยุ่งเหยิงคือหนทางไปสู่ความฟันฟ่นเฟือนถ้าเราจำกัดตัวเองลงได้บ้างอย่างระมัดระวังก็จะมาพัฒนาตามรู้ให้จดจอ่อลงได้อีก หากดำรงสติในชีวิตประจาวันไม่ได้ก็จะไม่มีทางเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นได้เลยการเข้าใจชีวิตกับการเข้าใจธรรมะต้องเดินคู่กันไป แ, แรกทีเดียวเพิ่งดำเนินชีวิตประจาวันของคุณอย่างมีคุณค่าด้วยสติเลือกทำแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็พอจริงอยู่มีเรื่องที่เป็นประโยชน์มากมายรอใหเราลงมือทาแต่เราก็ควรจะจากัดตัวเองให้ทาแต่เฉพาะสิ่งที่ดีที่สุด เท่านั้นเพื่อนคนหนึ่งเคยชมอาตมาว่าท่านเป็นคนมีพรสวรรค์มากจริงๆอาตมาไม่อยากจะตกเป็นทาตพรสวรรค์ของตัวเองแม้จะทำอะไรอะไรได้ไหลายหลายอย่างแต่อาตมาก็ต้องจำกัดตัวเองลงมาในชาติก่อนๆอาตมา ก, ก็เคยทำมามากพอแล้วฉะนั้นชาตินี้ขอเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าดีกว่าอาตมาอยากจะเรียนรู้ความหมายของชีวิต เราควรจะเข้าใจาให้ลึกซึ้งว่าเราเคยเป็นมาแล้วแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชายหญิงคนรวยคนจนคงแก่เรียนเรื่องอำนาจและอื่นนึ่นอีกมากมายแล้วชาตินี้จะเป็นซ้ำอีกเพื่ออะไรกันควรยลล็อกเพื่อเราจะมีอุดมการณ์บางอย่างในชีวิตจะได้มีเป้าหมายหรือทิศทางที่จะเดินแต่อย่าถึงกับบ้าอุดมการณ์จนฟั่นเฟือน อุดมการ์ที่ประเสริฐสุดคือมีสติอยู่เสมอเป็นนิดภาพของตัวเองที่สร้างขึ้นมาโดยขาดความเป็นจริงช่างอันตรายยิ่งแรกทีเดียวพึงเข้าใจจิตของตนเองให้ลึกซึง้งคุณต้องการจะดำรงชีวิตอย่างไรอะไรคือคุณค่าสูงสุดในชีวิตจะมีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดได้อย่างไรคําตอบก็คือทําจิตของคุณให้เรียบง่ายที่สุดและชีวิตก็จะเรียบง่ายไปเอง ความโลภที่คงแข็งคู่มากับความหลงนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของเราซับซ้อนมันไม่ง่ายหรอกตราบใดที่ผู้คนรอบๆตัวคุณยังคงอยู่กับความหิวกระหายรีบร้อนยุ่งเหยิงคุณจะต้องอาศัยปัญญาใหญ่หลวงบวกกับจิตที่เข้มแข็งจึงจะเลิกคล้อยตามพวกเขาได้กว่าจะรู้ตัวคุณก็เผลอคิดไปแล้วว่าจะทาอย่างไรดีจึงจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณไม่ใช่คนล้มเหลว ยากจริงๆที mind, ่จะดำรงชีวิตอยู่โดยไม่สนใจว่าคนอื well ่นเขาจะคิดถึงเราอย่างไรไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้ทั้งชีวิตไปกับการหาเงินแล้วก็ใช้เงินแต่นั่นคือวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่เมื่อใดที่คุณอยากจะซื้ออะไรขึ้นมาถามตัวเองเสียก่อนว่าคุณต้องการมันจริงๆหรือเปล่าอย่าซื้อเพียงเพราะเห็นว่ามันมีประโยชน์โลกนี้มีสิ่งที่มีประโยชน์มากมายเกินความจาเป็น สิ่งที่ไร้ประโยชน์ก็ท่วมท้นเกินไปอีกเช่นกันใช้สิ่งที่คุณมีในมือให้คุ้มค่าที่สุดกระดาษก็ทำมาจากต้นไม้นะหาการักต้นไม้ก็อย่าใช้กระดาษเปลืองนักเวลาเป็นของมีค่าเราหมดเปลืองเวลาไปกับการอ่านการพูดคุยไปโน่นมานี่เพียงเพื่อค่าเวลาให้หมดไปความเบื่อนี่แหละสร้างปัญหาใหญ่ความบันเทิงเรองรมมันจึงสาคัญขึ้นมา เพราะจิตคุยหาความเปลี่ยนแปลงมันไม่ยอมจมอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียวหลายปีทีเดียวที่อาตมาตะลุยอ่านตำร า, ร า, าปรัชญาศาสนาเปรียบเทียบพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์การเมืองจิตวิทยาวรรณกรรมบทกวีเพื่อจะพยายามค้นหาแนวทางการดำรงชีวิตหาอุดมการของตนเองหาสูตรสาเร็จในการดำรงชีวิตเพื่อจะเดินไปตามขนทางนั้นยิ่งอ่านมากเท่าใด ก็ยิ่งพบว่าอุดมการทางศาสนาหรือการเมืองก็ดีล้วนก่อให้เกิดไหายานณะต่อมวลมนุษยชาติสงครามศาสนาและสงครามการเมืองคือข้อพิสูจน์ที่ชัดที่สุดเจ็บปวดดีใช่ไหมพวกเขาต่างก็พูดถึงอุดมการที่จะทำให้ทุกคนอยู่อย่างเป็นสุขแต่พวกเขาอีกนั่นแหละที่ก่อความลำเค็นแสนสาหัสเขากล่าวถึงการแจกจ่ายความรักแต่เขานั่นแหละที่ทนเห็นหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่ได้ เขากล่าวถึงการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ก็เขาอีกนั่นแหละที่สร้างความแตกแยกแบ่งพักแบ่งพวกอาตมาจึงหันกลับมาดูตัวเองมันเป็นความรับผิดชอบที่จะค้นหาว่าเราต้องการจะดำรงชีวิตต่อไปอย่างไรเป้าหมายของชีวิตอยู่ที่ไหนหากผิดพลาดขึ้นมาอาตมาก็ต้องรับผิดชอบเองจะโทษใครใช่ว่าอาตมาจะมั่นใจกับทางเลือกและการตัดสินใจของตอนเองอาตมาต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และเฝ้าตามรู้ว่าความคิดของตนเองส่งผลกระทบอะไรกับชีวิตบ้างมันไม่ง่ายเลยต้องใช้สติอย่างมากต้องอ่อนไหวไหวต่อความรู้สึกและต้องซื่อสัตย์กับตนเองอย่างแท้จริงการที่อาตมาต้องรับผิดชอบต่อการดำรงชีวิตของตัวเองทั้งหมดนี่ช่างยากเอาการไม่แปลกใจที่คนส่วนใหญ่ชอบเอาความรับผิดชอบในชีวิตของตนเองไปแขวนไว้กับผู้นําทางศาสนาหรือการเมือง ใครก็ได้สักคนที่จะแบกความรับผิดชอบในความสุขหรือความทุกข์แทนพวกเขาอาตมาไม่ใช่ผู้ตามเพราะมันจะแปลว่าอาตมาบ่ายเบียงไม่อยากรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแต่อาตมาก็ไม่ใช่ผู้นําที่หมายถึงการต้องแบกความรับผิดชอบชีวิตของผู้อื่นอาจจะเป็นการดึงเอาความรับผิดชอบชีวิตของคนเหล่านั้นไปจากตัวเขาอาตมาเป็นเพียงมิตรคนหนึ่งเท่านั้นและเป็นนักสํารวจตลอดกาลอาตมาอยากจะเปิดหัวใจให้กว้าง สำหรับทุกคนและทุกสิ่งไม่รู้ว่าจะทำได้สำเร็จสักแค่ไหนอาตมาเคยแยกตัวจากสังคมไปอยู่อย่างสันโดษมาราวๆหกปีตอนนี้อาตมาเริ่มคิดที่จะเปิดตัวต่อผู้คนให้มากขึ้นเพราะเชื่อว่าน่าจะรียน้ได้อีกมากจากผู้คนทั่วไปจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับอาตมามากการหมังเมินผู้คนไม่ช่วยอะไรข้อนี้จริงทีเดียวคุณจะตอบอาตมาได้หรือยางว่า สิ่งที่ควรให้ความสำคัญมากที่สุดในชีวิตคืออะไรสำหรับอาตมาเองไม่เคยอยากเป็นคนดังแต่พยายามอย่างดีที่สุดที่จะเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตในจิตใจและในหัวใจดวงนี้ของอาตมาเท่านั้นเองแทบไม่เหลืออะไรเลยที่ยังสำคัญต่ออาตมาเพราะอาตมาไม่ใส่ใจกับมันอีกต่อไปหลายลายคนแทบไม่เข้าใจในทัศนคติที่เปลี่ยนไปของอาตมาก็เข้าใจพวกเขาหรอกและเข้าใจปัญหาของพวกเขาด้วย แต่คงจะไม่เก็บเอามาจริงจังหรือแม้แต่สนใจว่าใครจะคิดอะไรต่ออาตมามันเป็นเพียงแค่แว บ, บหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในความคิดของใครสักคนเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ไม่อยากจะรบกวนมันอยากทำอะไรก็ทำไปเถิดแต่พึงจำไว้เสมอว่าคุณจะไม่มีวันก้าวไปถึงอุดมการที่คุณฝ่ายหาไม่มีใครตำหนิคุณได้ว่าคุณไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบหรอก นับวันอาตมาก็เลิกใส่ใจกับความคาดหวังที่คนอื่นมีต่อตัวอาตมาลงทุกทีจึงไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างที่เขาคาดหวังได้หรือไม่อาตมามองเห็นตัวตนของตนเองชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจึงมีมาตรฐานแห่งคุณค่าของตัวเองและไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องมีใครเห็นด้วยกับอาตมาอาตมาคงไม่สามารถอธิบายสิ่งตัวเองเข้าใจและปัญญาที่เกิดขึ้นให้ใครต่อใครฟังได้เพราะคนส่วนใหญ่ ยังคงผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับจารีตประเพณีการขัดแย้งกับผู้อื่นมาเหนื่อยโข อ, อยู่การดิ้รนจะให้ผู้คนนับถือชื่นชมและจับตามองก็เปรียบเหมือนการถูกจองจําอาตมาเคยพยายามจะเป็นคนดีของทุกคนอยากจะทําให้ทุกคนเป็นสุขแต่ก็พบว่าในขณะที่บางคนเป็นสุขอยู่นั้นก็จะมีบางคนที่เป็นทุกข์เพราะเรื่องเดียวกันเป็นอันว่าอาตมาล้มเหลวที่จะสร้างความสุขให้ทุกๆคนได้ ตอนนี้จึงเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อาตมาพยายามจะทําให้เป็นสุขคือตัวอาตมาเองเพียงเท่านี้ก็ยังแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่บ่อยๆอาตมาเคยพยายามจะพัฒนาผู้คนรอบๆข้างเคยแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาต่างๆในโลกเคยแบกเอาปัญหาใหญ่หลวงทางปรัชญาไว้ในใจสองสมปีก่อนเพื่อนคนหนึ่งเตือนสติอาตมาว่าท่านไม่ใช่พระเจ้านะเขาพูดถูกทีเดียวป้าตมาไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดชอบ ต่อโลกใบนี้จะแบกโลกใบนี้ใส่บ่าไว้ทําไมให้หนักแกล้ตั้งแต่นั้นมาอาตมาก็ปล่อยวางมันลงทุกวันนี้อาตมาไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาแบกหามอีกต่อไปใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างเรียบง่ายสงบมีความสุขกับชีวิตหากจะนึกถึงผู้คนบนโลกที่ลอยเทงเต้งใบนี้มันก็น่าจะมีอะไรผิดปกติตรงไหนสักแห่งถ้าถามอาตมามันก็อยู่ระหว่างใบหูทั้งสองข้างนั่นแหละ แต่ละวันที่ผ่านไปล้วนไม่แตกต่างจากวันวานไม่ได้รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กับปีใหม่ที่ใกล้มาถึงฉะนั้นแทนที่จะอวยพรสุขสรรวันปีใหม่กับพวกคุณอาตมาอยากจะอวยพรว่าสุขสร์ทุกๆวันมากกว่ากับวันเกิดก็เช่นกันอาตมาไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องมีความสุขมากขึ้นในวันเกิดด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหากใครจะมาอวยพรสุขสรรวันเกิดให้อาตมา แต่ละวันผ่านไปเหมือนวันวานยังเคยหลงลืมวันเดือนปีไปเลยด้วยซ้ําอาตมาเคยทดลองที่จะไม่เหลียวดูปฏิทินไปหลายๆสัปดาห์ผลก็คือเวลาไหลเลื่อนผ่านไปโดยไม่รู้ตัววันแล้ววันเล่าผันผ่านเราไปอย่างเงียบเชียบอีกไม่ช้าชีวิตก็จบสินกก้นอย่ากังวลเลยนะคุณยังจะได้เกิดอีกหลายครั้งช้าๆก็ได้ใช้เวลาตามสบายใหญ่ต้องรีบร้อน ปัญญานี้เองที่ก่อให้เกิดพลังในจิตใจปลุกจิตอาตมาให้ตื่นเมื่ออาตมาตั้งใจเป็นนักสำรวจเข้าไปสู่ดินแดนที่ยังไม่เคยรู้จักจะประมาทไม่ได้จึงคุ้นเคยกับชีวิตที่สุขุมรอบคอบถือเข็มทิศสติติดมือไว้เสมอระมัดระวังทุกย่างก้าวและปรับตัวอยู่ตลอดเวลาที่คุณกล่าวว่ากระผมไล้จุดหมายก็จะรู้ตัวได้ว่าตัวคนเดียว อัตมาคิดว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังหรอกนะมีคนอีกเป็นพันพันล้านคนที่ร้ายจุดหมายและหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวเช่นเดียวกันคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวส่วนที่เหลือก็ปฏิเสธที่จะยอมรับหรือพยายามปกปิดมันไว้ภายใต้อะไรบางอย่างเช่นการงานความเพลิดเพลินในการมาคุณมันยากอาการที่จะยอมรับความจริงว่าเราไม่มีใครสักคนที่เข้าใจความเปล่าเปลี่ยวของเราให้เราได้พึ่งพิง เสียงเจ้านกกระจิบมันกระซิบข้างหูอาตมาว่าชีวิตก็แบบนี้แหละจะแบกเอาความทรงจำในอดีตหรือความกังวลถึงอนาคตไว้ในใจเลยดำรงชีวิตทุกขณะจิตกับสติอนาคตจะจัดการตัวมันเองคุณบอกว่ากระผมกำลังหลงทางคุณจะไปไหนหรึก็ในเมื่อคุณยังวนเวียนอยู่กับที่และคุณจะหลงทางได้อย่างไรคุณก็ยังอยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละขอโทษทีที่อาตมาหยอกเล่น อาจะมาเข้าใจความรู้สึกของคุณดีเคยได้ยินคนพูดแบบคุณมากมายทีเดียวเราอยากจะมีชีวิตที่แตกต่างแต่เราสแสวงหาอะไรอยู่รึอไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่อำนาจหรือมันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นหากเลิกตะเกียกตะกายสแสวงหาจะดีกว่าไหมแต่ผู้คนก็คงจะกระหน่ำตำําหนิว่าคุณเป็นคนไร้ายแรงจูงใจไม่ทําอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติป้านเมืองหรือมวลมนุษยชาติใช่หรือไม่ สังคมผลักดันให้เราต้องแสวงหาอะไรสักอย่างหรือลงมือทําอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นจะถูกประนามหยามเหยียดว่าเป็นคนขี้เกียจสันหลังยาวมันยากจริงๆหากจะขอนั่นเฉยเพื่อดูวความเป็นไปของชีวิตเงียบๆขอแค่โอกาสได้เจริญสติเงียบๆก็ยังยากที่นี่อาตมามีโอกาสได้ลงมือทําการไม่ทําอะไรเลยมากทีเดียวเยี่ยมจริงๆทุกคนที่นี่ ล้วนเกื้อหนุนให้อัตมาทำได้ขอขอบคุณวัฒนธรรมของเราและกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้พึงกล้าที่จะไม่ล้ำหน้าผู้อื่นอัตมาชอบประโยคนี้จริงๆพึงกล้าที่จะไม่ล้ำหน้าผู้อื่นเริ่มมีคนมองอัตมาเป็นพระที่ชาญสลาดมากขึ้นทุกทีอัตมาเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักอึ้งเพราะพวกเขา จะไม่ยอมปล่อยให้อัตมามีโอกาสโง่บ้างเลยอัตมารู้สึกสบายใจเวลาไม่มีใครอยู่ใกล้ๆอัตมาไม่ใช่คนที่ไร้ข้อบอกพร่องและไม่เคยตั้งความหวังว่าจะเป็นคนสมบูรณ์แบบด้วยเพราะฉะนั้นอัตมาจึงรู้สึกสบายใจกว่าหากจะปล่อยให้ตัวเองมีโอกาสโง่บ้างชื่อเสียงก็เหมือนคุกที่จองจาเราไว้พึงพยายามเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นเราจะรู้จักผู้คนได้ใกล้ชิดขึ้น หากเปลี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้าใจมิฉะนั้นจะไม่มีใครกล้าเปิดเผยชีวิตของเขาให้เราฟังอันอันตรายมากหากเปิดเผยเรื่องของตนเองให้คนที่ขาดความเมตตาและความเข้าใจได้รับรู้เพราะเขาจะประเมินเราตัดสินเราและประนามเราแทนหากคุณเข้าไปนั่งในหัวใจคนอื่นได้คุณจะพบว่าคนทุกทนช่างมีมากมายเสียเระเกินหากแต่พวกเขาต้องซ่อยเร้นมันไว้อย่างมิชิด ถึงเมตตาผู้อื่นแต่ไม่ต้องพยายามทําให้เขาพึงพอใจอย่าพยายามทําตัวเป็นเทวดาแค่เป็นคนดีที่น่านับถือ ก, ก็ยากเย็นพออยู่แล้วการพรยายามเป็นคนดีจนเกินไปอาจจบลงด้วยความขมขื่นอาตมามักจะย้ําถึงข้อจํากัดของตัวเองให้ใครฟังเสมอแม้แต่ในกรณีที่เกี่ยวกับธรรมะสถานที่นี้สงบเงียบอยู่ได้ก็เพราะเรามีข้อจํากัดผู้คนต่างก็อยากมาที่นี่ทุกวัน แต่เราก็ต้องตอบว่าขอโทษนะอย่าเพิ่งมาเลยท้ายที่สุดคุณก็ต้องตัดสินใจให้ได้ว่าคุณอยากจะทําอะไรไม่มีใครตัดสินใจแทนคุณได้อตมาจะไปใช้ชีวิตแทนคุณหรือคุณจะมาใช้ชีวิตแทนอตมา ก, ก็ไม่ได้ทั้งสิน้นเป็นผู้ใหญ่มันก็ลําบากอย่างนี้เองเราเพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งตัวเองนั่นแหละดีที่สุดไม่มีบุคคลใดและสถานที่แห่งหนใดสมมูรณ์แบบ เราไม่มีวันหาสถานที่สมบูรณ์แบบชุมชนสมบูรณ์แบบหรือครูบาอาจารย์สมบูรณ์แบบได้พบหรอกอัตามารู้จักคนมากก็มากแต่ยังไม่เคยพบใครที่สงบสุขนอกจากท่านอู่อิสริยะท่านไม่ใช่คนคงแก่เรียนแต่ท่านรู้ว่าจะดํารงชีวิตอย่างไรให้สงบสุขเราต่างก็ไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องบางครั้งก็พลาดได้แล้วใหญ่ต้องจมปลักไปตลอดชีวิต กับความสำนึกผิดจากความผิดพลาดในอดีตอภัยให้ตัวเองเถิดปลดปล่อยตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่เรามักบอกตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ส่วนคนที่เรารู้จักก็จะยืนยันว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหากในความเป็นจริงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาณนะขณะนี้เราก็แตกต่างไปจากที่เราเคยเป็นเมื่อสิบปีก่อนมากทีเดียว เพิ่งยินยอมให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเถิดชีวิตคือการทดลองคือการผจญภัยจึงเต็มไปด้วยความเสี่ยงเสี่ยงไปเถอะแต่ขอให้แน่ใจว่ า, วาทุกๆ ก, การตัดสินใจของเราเกิดจากจิตที่เงียบสงัดตอนเด็กๆ เ, เคยคิดว่าชีวิตเปรียบเหมือนสูตรคำนวณจนแกตัวลงนี่แหละจึงเห็นว่าชีวิตเหมือนบทกวีอัตมากําลังพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทําให้ชีวิตนี้พอทนได้ บางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็ทุกข์จนท้อแท้คุณคงคาดไม่ถึงกระมังว่าอาตมาจะมีความทุกข์คิดหรือว่าชีวิตของอาตมาจะเป็นสุขไม่จบสิน้นมันเป็นความทุกข์ที่อยู่เหนือความทุกข์แม้จะเป็นทุกข์คนละแบบแต่มันก็คือความทุกข์นั่นแหละอาตมาอดทนกับมันศึกษามันรู้ว่านี่คือราคาของชีวิตที่เราต้องจ่ายอาตมาทุกข์โดยไม่เคยบน่น หวังเพียงว่าตัวเองจะมีคุณค่าพอสำหรับความทุกนั้นทุกที่อาจมาเฝ้าตามรู้อย่างสงบเย็นชีวิตที่บรรลุความสาเร็จสมปรารถนาแล้วไม่จาเป็นต้องอาศัยการโพนธนาหากบรรลุ ถ, ถึงสิ่งสมประสงค์แล้วควรจะพบว่าบทวิสูตรไม่จาเป็นอีกต่อไปที่คุณกล่าวว่าในสหรัฐอเมริกาคนเราหลงทางได้ง่ายเหลือเกินหลงทางอยู่ในชีวิตที่ยุ่งเหยิง หลงอยู่ในข้อมูลและความบันเทิงเรืองลมที่ท่วมท้นถมถังเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อหลงอยู่ในสิ่งล่อใจน า, นานาชนิดคุณพูดถูกสิ่งเหล่านี้อันตรายมากเลยทีเดียวชีวิตที่มากธุระและวุ่นวายยุ่งเหยิงเป็นชีวิตที่ตื้นเขินจริงๆยามที่ต้องวุ่นวายกับธุระมากๆคุณไม่มีเวลาแม้แต่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเองโยมพ่อของอาตมาเป็นนักธุรกิจชีวิตท่านมีแต่ธุระวุ่นวาย ท่านตายจากไปราวกับคนแปลกหน้าสำหรับลูกๆพวกเราไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่อยู่ในจิตใจของท่านเลยท่านเป็นคนทุ่มเทกับงานด้วยเหตุนี้เองอาตมาจึงตั้งใจว่าอาตมาจะไม่ยอมมีธุระวุ่นวุน่นเด็ดขาดสังเกตรหรือไม่ว่าบรรดานักปราดนักประพันธ์และกวีผู้ชัญฉลาดทั้งหลายล้วนดำเนินชีวิตที่เงียบสงบไร้ธุระวุ่นวาย ไม่มีใครสนใจในเรื่องชื่อเสียงการยกย่องเงินทองหรือชีวิตหรูหราสักคนเดียวความสำเร็จที่คนส่วนใหญ่พูดถึงมันช่างผิวเผินสิ้นดีจริงอยู่คนเราต้องทำมาหาเลี้ยงชีพแต่การใช้ชีวิตทั้งชีวิตวิ่งวุ่นเหมือนคนบ้าทำงานร้อยกว่าอย่างที่ไม่จำเป็นเลยนั้นมันไร้สาระยิ่งนักคุณไม่รู้จักตัวเองด้วยซ้าไป ไม่เคยมีเวลาพอที่จะเหลียวดูตัวเองให้ลึกซึ้งเลยคุณมองออกข้างนอกตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัยเพราะคิดว่านั่นสำคัญกว่าคุณไม่รู้จักแม้แต่คนที่คุณบอกว่ารักที่สุดที่คุณกล่าวถึงความรู้สึกของผู้ชายอเมริกันที่มักคิดว่าตนเองขาดตกบกพร่องอตมาเข้าใจดีตอนอยู่ที่นั่นอตมาก็สังเกตเห็นเหมือนกันโรคแบบนี้ขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ค่อยพบในกลุ่มชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตด้อยพัฒนาของพามา่าแต่พบในกลุ่มผู้มีอันตรกินที่นี่อยู่เหมือนกันอตมาคิดว่ามันเกิดเพราะเขาถูกคาดหวังมากเกินไปภาพพจน์ของความสำเร็จช่างตายตัวคับแคบวัตถุนิยมไร้ความเป็นตัวของตัวเองและโง่งงมเราว่ารูปแบบที่ดีสำหรับทุกๆคนมีได้เพียงแบบเดียวพึงใช้ชีวิตในแบบฉบับของคุณเองจะดีกว่า ใครที่ไหนจะสนใจคุณหนักหนาใช้ชีวิตตามสบายเถิดเพราะเมื่อถึงที่สุดแล้วอะไรๆก็ไม่สำคัญทั้งนั้นหวังจริงๆว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบใบนี้ได้อัตมาครบสามสิบเก้าปีเต็มไปเมื่อวันที่ห้าสิงหาคมนี้เองผมของอัตมาเริ่มจะงอกโดยเฉพาะด้านข้างด้านบนก็เริ่มจะบางลงเป็นสัญญาณของความแก่นี้มันไม่พ้นจริงๆ เมื่อตอนเป็นเด็กสิ่งเหล่านี้มันดูเป็นของปลอมๆอีกไม่นานอาตมาก็คงจะตายจากไปแต่ก็พอใจแล้วความจริงมันผิดตรงไหนหรือมันเป็นส่วนสำคัญและจำเป็นของชีวิตเราคงจะเลวร้ายน่าดูถ้าคนเราไม่รู้จักตายอาตมาอยากรู้เหมือนกันว่าหากอาตมามีชีวิตยืนยาวต่อไปอีกสักสี่สิบปีจะมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองบ้างอาจจะยังโง่เหมือนเดิมหรือว่า ใช่ที่แน่ๆอัตมาจะแก่ลงผมคงจะร่วงไปจนเกือบหมดศรีรษะเหลือแต่หัว ล, ล้านๆกับผมงอๆและอีกไม่นานก็คงจะตายจากตอนนี้อัตมา ก, ก็เริ่มจะปวดหลังเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็เริ่มปวดตามข้อนิ้วหรือว่าโรคข้อเสื่อมมาเยือนแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นกันไม่มีคําบ่นเพียงแต่หวังจะดํารงชีวิตของตัวเองให้เต็มที่ตามแบบที่เลือกเอง จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหลังจากนั้นก็ไม่รับรู้อะไรอีกแล้วอัตมากําลังแก่ลงข้อนี้ไม่ต้องสงสัยแต่ที่หมายถึงก็คืออัตมาสามารถที่จะรับรู้ความแก่ลงนี้ได้ในขณะที่ชีวิตดําเนินไปอัตมามีสัมผัสที่ไวราวกับคนตาบอดไม่เพียงแค่เห็นหรือได้ยินผู้คนแต่ยังรับรู้พวกเขาได้ด้วยใจรับรู้ได้ว่าบุคคล น, นั้นเป็นคนเย็นชา หรืออบอุ่นอ่อนโยนหรือแข็งกร้าวอัตมายังดมกลิ่นเขาได้ด้วยว่าคนคนนั้นใจสะอาดหรือไม่แส้ทำหรือเปล่าส่วนที่ดีก็คือจิตใจของอัตมามีวุฒิภาวะมากขึ้นและลดปลดวางมากขึ้นอัตมาเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรที่ควรค่าต่อความเป็นทุกข์เลยอัตมามีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารเพียงพอทุกวัน สุขภาพก็ไม่มีอะไรเลวร้ายนับว่าเพียงพอแล้วอาตมายังมีกลัลยาณมิตรที่ดีมีเวลาจเจริญกรรมาฐานทุกวันไม่เคยต้องมีธุระอุ่นวายคุณอิจฉาวิถีชีวิตของอาตมาไหมอาตมาพอใจมากที่จะได้ลดละความยึดติดในภาพพจน์ของตัวเองและเป็นสุขกับการเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งราตรีมาเยือนนานแล้วนั่งฟังเสียงฝนกลางด้วยรูหนาว ระลึกถึงวันเก่าๆครั้งยาววัยหรือจะเป็นเพียงความฝันเราเคยผ่านวัยยาวนั้นมาด้วยหรือเร็วกันอีกไม่นานนักหรอกคุณก็จะต้องถามตัวเองแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้อาตมาแสดงความเมตตาออกมามากขึ้นคล้ายกับว่าหัวใจของพระแก่ๆรูปนี้มันพองโตขึ้นไปพร้อมกับวัยที่แก่ลงหัวใจโตคาร์ดิโอ เมกาี่เปล่าไม่ใช่โรคภัยหรอกนะแต่ถึงอย่างไรอาตมา ก, ก็คงจะรักจนครบทุกคนไม่ได้หรอกนะคนไหนที่อาตมารักก็รักได้จริงจังมีคนที่อาตมารักอยู่มากมายบางคนก็สัมผัสความรักของอาตมาได้หากตายตามธรรมชาติได้ก็คงจะดีความสําคัญอยู่ที่ว่าเราควรจะทารงชีวิตอย่างไรให้สงบสุขและเปี่ยมด้วยความหมาย อาตมายินดีที่จะตายแต่ไม่อยากเป็นทุกข์เราทุกคนก็ต้องตายแน่ๆในวันหนึ่งอาจเป็นวันนี้ก็ได้ก็เพราะรู้ว่าเราต้องตายแน่ๆร้อยเปอร์เซนเราจึงควรเลือกอยู่อย่างชาญฉลาดอย่าเปลืงแรงเปลืองเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระอย่าเอาแต่คิดกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่องความตายมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยอาจมีความเจ็บปวดบ้างตอนตายที่จะทาให้ทุกข์ยาก สาเหตุที่ทําให้เรามองว่าความตายเลวร้ายก็คือความยึดติดเพราะเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักไปอาตมาจึงเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องสั่งสอนตัวเองให้รู้จักตายด้วยหัวใจสงบและรู้จักวิธีที่จะละทิ้งทุกอย่างที่เรารักไปผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักการใช้ชีวิตอย่างสงบคือผู้ที่ยังไม่รู้จักชีวิตดีนัก การทุ่มเทใช้ชีวิตอย่างลืมตายคือสัญญาณของการขาดวุฒิภาวะพึงยอมรับในสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จะดีกว่าอาตมาระลึกถึงความตายบ่อยๆความตายเข้ามาใกล้อาตมาแค่เอื้อมถึงสองครั้งแล้วเมื่อเหลียวกลับมามองชีวิตจากจุดนั้นมันเห็นได้ชัดเลยว่าเรางงงมหมดเปลืองเวลาไปกับการวิ่งไล่ขวายคว้ายศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สมบัติคำชมการนับหน้าถือตา และไม่เคยเพียงพอสักทีอัตมาได้เห็นความตายใกล้ๆแค่เอื้อมแต่ก็ไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้ว่ามันเป็นอย่างไรณขณะที่คุณรู้ว่าคุณกําลังจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่ก็กลับรู้สึกพอใจนั่นแหละคือตอนที่อัตมาปล่อยวางทุกสิ่งและได้รู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของอัตมาก็คือความเข้าใจชีวิตอย่างลุ่มลึก น, นี่เองเอาเถิดสักวันหนึ่งอัตมาจะเล่าให้ฟังอัตมาสบายดีนะ แค่แก่ลงและกําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดอาตมาจะพิจรพยายามอย่างที่สุดที่จะดํารงชีวิตอย่างสันติสุขย้ําอีกครั้งว่าอาตมาได้พบว่าความยึดติดก่อให้เกิดทุกข์สัจธรรมข้อนี้ไม่ผิดแน่พึงระวังความยึดติดให้ดีความปรารถนาจะชวนให้คุณเชื่อว่าจะมีความสุขหากได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่การตอบสนองความอยากมันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกเรามักจะคิดเอาเองว่า สักวันหนึ่งเราจะมีความสุขสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งแต่วันนั้นมันกระเถิบห่างออกไปเสมอหากเมื่อใดที่คุณพูดได้ว่าตอนนี้ผมมีความสุขคุณก็โชคดีมากทีเดียวการแก่ลงไม่ได้เลวร้ายตราบใดที่คุณอยู่กับสติกับปัญญาดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆพักผ่อนก่อนที่จะเริ่มเหนื่อยคนควรจะดูแลสุขภาพเพื่อให้ได้มีชีวิตยืนยาวอย่างแข็งแรง เรายังมีอะไรต้องเล่าสู่กันฟังอีกมากตอนที่เราแก่ลงกว่านี้ถึงตอนนั้นอาตมาก็หวังว่าเราจะเปิดใจกันกว้างกว่านี้และเป็นมิตรกันให้มากขึ้นเป็นความแบ่งปันและเอื้ออาทรอย่างแท้จริงอาตมารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณชีวิตมันสอนอาตมาไว้มากมายอาตมาก็อยากจะอายุยืนยืนเพื่อจะได้เรียนรู้อีกมากๆบางสิ่งบางอย่างนั้นเราจะเรียนรู้ได้ ก็ตอนชราภาพเท่านั้นแหละแต่ถึงอย่างไรอตาตมาก็ไม่รู้สึกเศร้าเสียใจยามที่ได้ข่าวการจากไปของเพื่อนคนใดอีกแล้วทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติคนเรามักมีอะไรทามากมายจะลืมว่าตัวเองต้องตายเรานึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญแต่มันคือภาพลวงตาเราอยากจะเป็นคนสำคัญในชีวิตของคนอื่นอยากจะรู้สึกว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้มากมาย สิ่งที่พึ่งทำก็คือทำในสิ่งที่ตนทำได้โดยไม่ต้องคาดหวังว่าจะมีใครจำเราได้เมื่อ ง, งานเสร็จคุณพยายามมากเกินไปที่จะมีเมตตากับคนอื่นคุณห่วงใ ย, ยการปฏิบัติธรรมของคนอื่นจนเกินไปหากยังปล่อยให้เป็นแบบนี้คุณจะมีชีวิตที่สงบไม่ได้เลยดำรงชีวิตของตนเองอย่างสงบซะก่อนจากนั้นจึงเลือกทำเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับจิตสงบของคุณ การปล่อยให้คนอื่นมีอิสระที่ง่งงมบ้างเป็นก้าวสำคัญและยากที่สุดในการพัฒนาจิตอยากทำอะไรก็ทำเถิดแต่พึงทำด้วยความระมัดระวังและตั้งใจทำทีละน้อยแต่ทำให้ดีแรงกระตุ้นที่บริสุทธิ์ช่างหายยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งเราพยายามปฏิเสธแรงกระตุ้นจากความเห็นแก่ตัวในใจเรามากเท่าใดภายใต้หน้ากากของความเสียสละไร้ความเห็นแก่ตัวของเรา เราก็ทำร้ายตัวเองและผู้อื่นมากยิ่งขึ้นการปฏิเสธความมืดคือการไม่ยอมรับรู้อันตารายการยอมรับความมืดจึงจะก่อเกิดแสงสว่างได้การปฏิเสธทำให้ยิ่งมืดมิดสนิทเราอาจจะเสแส้ได้ชั่วครู่ชั่วยามแต่ไม่นานความจริงย่อมเปิดเผยออกมาจนได้